บทภาชณีติกากนิสักยญาปาจิตตีห้าริบหกรูปิยะภิกษุสําคัญว่าเป็นรูปิยะรับรูปิยะต้องอบัตนิสักยญาปาจิตตีรูปิยะภิกษุไม่แน่ใจรับรูปิยะต้องอบัตนิสักยญาปาจิตตีรูปิยะภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่รูปิยะรับรูปิยะต้องอบัตินิสักยญาปาจิตตีทุกๆกฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปิยะ ภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปิยะต้องอบัตทุกกฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎสิ่งที่ไม่ใช่รูปียะภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่รูปียะไม่ต้องอบัต